สุดสยองเปิดตำนานผีญี่ปุ่นตำนานสุดสยองของผู้ดผีปิศาจทั่วโลกล้วนมีความน่ากลัวที่แฝงไปด้วยที่มาที่ไปหรือเรื่องราวที่ทำให้เกิดผีตนนั้นขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความอาฆาตแค้นที่ทำให้ผีออกมาอาละวาดการรอคอยในบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้วิญ ญ, ญาณยังไม่ไปเกิดในภพภูมิที่ดีเช่น ตำนานผีญี่ปุ่นที่เย่าวขวัญผู้คนจากเรื่องเล่าในอดีตมาจนถึงปัจจุบันดังที่เราจะเล่าต่อไปนี้เทเคเทเควิญญาณในรางรถไฟจากอุบัติเหตุที่เธอพลัดตกรางรถไฟจนทำให้รถไฟทับร่างขาดออกเป็นสองท่อนเล่ากันมาว่าหลังจากที่เธอตายไปแล้วในค่ำคืนอันมืดมิดวิญญาณผีต้นนี้จะออกมาอารวาดปรากฏเป็นร่างนักเรียนสาว มีเพียงลำตัวท่อนบนที่อาบไปด้วยเลือดสีแดงสดอย่างน่าสยดสยองในมือของเธอคือเลื่อยอันแหลมคมพร้อมจะสังหารมนุษย์ผู้โชคร้ายให้ตายได้ในทันทีร่างของผีสาวตนนี้จะคลานไปตามพื้นอย่างรวดเร็วโดยข้อศอกเป็นตัวขับเคลื่อนขณะที่คลานไป น, นั้นก็เกิดเสียงดังว่าเทเคเทเคผีนักเียนสาวตนนี้จึงถูกเรียกว่าผีเทเคเทเคมันจะคลานไปเรื่อยๆเพื่อหาเหยื่อให้ได้ หากใครที่พบเจอกับมันเข้าแล้วหนีไม่ทันผีเทเคเทเคจะใช้เลือดตัดร่างของผู้นั้นให้ขาดเป็นสองท่อนจนตายคาที่ทำให้เขาต้องกลายเป็นผีเทเคตัวใหม่ในทันทีเรื่องราวของวิญญาณร้ายเทเคเทเคมีอยู่อีกหนึ่งตำนานที่ได้รับความนิยมเรื่องราวมีอยู่ว่าผีเทเคเทเคเกิดจะญิงสาวผู้หนึ่งที่กระโดดลงรางรถไฟเพื่อฆ่าตัวตายทาให้รถไฟที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูง พับร่างของเธอจนขาดเป็นสองท่อนแต่ในตํานานนี้เธอไม่ได้เสียชีวิตในทันทีร่างท่อนบนของเธอที่อาบไปด้วยเลือดได้คลานไปเรื่อยๆด้วยความเจ็บปวดทรมานพร้อมกับส่งเสียงร้องอดครวนเพื่อตามหา ข, าขาของเธอที่ขาดหายไปว่าขาขาของฉันอยู่ที่ไหนผีเทเคเทเคจึงเป็นเรื่องเล่าที่กลายเป็นตำนานชวนสยองอีกเรื่องหนึ่งของญี่ปุ่นที่ใครๆได้ฟังแล้ว ต้องผลหัวลุกจะนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวผีในห้องน้ำคุณฮานะโกะความลึกลับและแปลกประหลาดของผีญี่ปุ่นยังปรากฏอีกหลายตำนานหนึ่งในนั้นคือตำนานคุณฮานโกะผีในห้องน้ำที่บอกเล่าต่อๆกันมาถึงความน่าสะพรึงกลัวที่ทำเอาหลายคนไม่อยากเข้าห้องน้ากันเลยทีเดียวตำนานฮานะโกะเป็นตานานพื้นบ้านของญี่ปุ่น ที่ได้กล่าวไว้อย่างหลากหลายตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นทําให้เนื้อเรื่องของฮานาโกะอาจจะมีความแตกต่างกันไปบ้างแต่ที่เหมือนกันคือลักษณะของฮานาโกะนั้นเป็นเด็กหญิงอายุประมาณเจ็ดขวบตัดผมบ๊อบและนุ่งกระโปรงแดงเด็กน้อยผู้นี้ได้ตายกลายเป็นผีอยู่ในห้องน้ําและสร้างความหวาดผวาให้ผู้คนมานักต่อ น, นักโดยมีตำนานกล่าวไว้ถึงที่มาที่ไปของฮานาโกะหลายรูปแบบด้วยกันในตำนานเก่าแก่เล่าไว้ว่า เรื่องราวของฮานาโกะได้เกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเธอคือวิญญาณเด็กผู้หญิงตนหนึ่งที่สิงอยู่ในห้องน้ำห้องที่สามชั้นที่4ของโรงเรียนหากมีคนเข้าห้องน้ำที่ฮานาโกะสิงอยู่และเคาะประตูสามครั้งถามว่าคุณฮานาโกะอยู่ข้างในนั้นหรือเปล่าจะมีเสียงเด็กผู้หญิงตอบกลับมาว่าอยู่ค่ะถ้าเปิดประตูห้องเข้าไปแล้วก็จะพบกับผีฮานาโกะนั่งรออยู่ในห้องน้ำลักษณะเป็นเด็กผู้หญิงตัวเตีย้ยเล็กๆ ผมบอ๊อบสวมกระโปรงสีแดงทําให้เรื่องราวของฮานาโกะเป็นที่พูดถึงกันมากในยุคนั้นจึงกลายเป็นตำนานพื้นบ้านที่บรรดาเด็ก น, นักเรียนต่างพากันเล่นเรียกชื่อคุณฮานาโกะแต่ในบานตำนานก็เล่าถึงฮานาโกะไว้อย่างน่ากลัวโดยเฉพาะในจังหวัดยามางะตะได้เล่าว่าถ้าเรียกฮานาโกะแล้วได้ยินเสียงเธอตอบกลับมาคนคนนั้นได้เปิดประตูเข้าไปก็จะพบกับตุ๊กแกปีศาจสามหัวที่มันสามารถเรียนเสียงเด็กผู้หญิงได้อย่างแนบเนียน ทุกแกผีที่ว่านั้นก็จะจับคนที่เป็นเหยื่อไปกินเป็นอาหารในทันทีส่วนความเชื่อในจังหวัดอิวาเตได้กล่าวไว้ว่าถ้ามีคนเรียกชื่อคุณฮานาโกะแล้วจะเห็นมือใหญ่ยาวสีขาวซีดค่อยๆเลื้อยออกมาจากช่องแคบๆของประตูแล้วดึงตัวผู้เรียกที่อยู่ด้านนอกห้องน้ําให้เข้าไปในรูซ่วมทันทีแต่ในความเชื่อของผู้คนในจังหวัดคันนางะวะเล่าไว้ว่าถ้ามีการเรียกชื่อคุณฮานาโกะเมื่อไหร่จะเห็นเลือดหยดออกมาในบริเวณในห้องน้ํานั้น หากคุณต้องการเห็นฮาระ ก, กลองดูที่ห้องน้ำของคุณดีๆเผื่อเขาจะไปเยี่ยมเยียนที่บ้านของคุณโออิวะวิญญาณอาฆาตอีกหนึ่งตำนานผีญี่ปุ่นที่มาขยาวขวันผู้ฟังให้ต้องขนลุกไปตามๆกันเป็นเรื่องราวอันโด่งดังและถูกร่ำลือถึงความโหดเยี่ยมของผีต้นหนึ่งเธอมีชื่อว่าโออิวะซึ่งได้กล่าวไว้หลายรูปแบบแตกต่างกันบ้า แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือความอาคาตพยาบาทจองเวงและโหดเยี่ยมของผีโออิวะในตำนานได้กล่าวไว้ว่าโออิวะเธอเป็นหญิงสาวผู้หนึ่งที่มีความสวยงามในรูปร่างหน้าตามีฐานะร่ำรวยทำให้ชายหนุ่มจำนวนมากหลงรักเธอแต่สุดท้ายเธอก็จะเลือกแต่งงานกับจมรัยหนุ่มที่มีชื่อว่าอ e ีเอมอนในเวลาต่อมาโออิวะได้ตั้งคัน เป็นเวลาเดียวกับสภาพการเงินในครอบครัวของเธอย่แย่ทําให้อีเอมอนไม่ใ ย, ยดีต่อเธอและไปหลงรักลูกสาวเศรษฐีคนหนึ่งจากนั้นไม่นานโออิวะก็ได้คลอดลูกทําให้ลูกสาวเศรษฐีและอีเอมอนพยายามกําจัดเธอไปให้พ้นทางลูกสาวเศรษฐีจึงได้วางแผนให้อีเอมอนนํายาชนิดหนึ่งไปให้กับโออิวะโดยให้โกหกว่าเป็นยาบํารุงครรภหลังคลอดแต่แท้จริงแล้วมันคือ ยาพิษอันร้ายกาจที่จะทําให้โออิวะเสียโฉมไปตลอดชีวิตโออิวะหลงเชื่อในคําโกหกของสามีและได้ทานยา น, นั้นเข้าไปปรากฏว่าดวงตาของออิวะปูดออกมาอย่างน่าเกลียดน่ากลัวทําให้หน้าตาของเธอที่เคยงดงามต้องเสียโฉมกลายเป็นหญิงสาวหน้าตาอับปลัดเธอเกิดความเสียใจและแค้นใจเป็นอย่างมากเมื่อรู้ว่ามันเป็นแผนของสามีและชู้รักของเธอเธอทนอยู่ในสภาพนี้ไม่ได้ จึงฆ่าตัวตายในบึงน้ำแต่บางตำนานก็ได้กล่าวไว้แตกต่างกันว่าโออิวะได้ถูกอ e ีอมอนผู้เป็นสามีฆ่าตายและโยนศพของเธอทิ้งลงไปในบึงน้ำหลังจากที่เธอได้ตายไปแล้วอีอมอนก็ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของลูกสาวเศรษฐีแต่เขาก็ไม่เคยคิดว่าวิญญาณของโออิวะจะอาฆาตและตามมาทวงแค้นโดยในคืนหนึ่งวิญญาณของโออิวะได้ปรากฏขึ้นกลางบ้านหลังนั้น พร้อมกับเสียงร้องโหยหวนจนทําให้เอิมอนหวาดกลัวเป็นอย่างมากเขาจึงหยิบดาบซามูไรประจำตัวทิ่มแทงเข้าไปในที่เงาของผีสาวโออิวะจนเงานั้นล้มฟุบลงกับพื้นแต่ปรากฏว่าเงาของผีร้ายได้กลายเป็นร่างของลูกสาวเศรษฐีชูรักของเขาเองผู้เป็นเศรษฐีในบ้านหลังนั้นเมื่อได้ยินเสียงร้องจึงได้วิ่งออกมาเพื่อดูเหตุการณ์แต่สิ่งที่เอิมอนเห็นก็คือ เศรษฐีผู้นั้นได้กลายเป็นร่างของผีโออิวะทําให้เขาหวาดกลัวจนขาดสติควา้าดาบฟันเข้าที่ร่างของเศรษฐีจนกระทั่งร่างของเศรษฐีล้มลงเขาจึงเห็นว่าไม่ใช่ผีโออิวะแต่เป็นข้อตาของเขานั่นเองหลังจากนั้นอีเอมมอนก็เสียสติหนีเตลิดออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วกลับไปหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านของตนเองเพราะกลัววิญ ญ, ญาณของโออิวะตามฆ่าแต่ก็ยังหนีไม่พ้นเพราะเชื่อที่ห้อยอยู่กลางบ้าน ได้พันเข้าที่ลําคอของเขาจนทําให้เขาเกือบขาดอากาศหายใจพยายามดิ้นรนเอาเชือกออกอย่างไรก็ไม่เป็นผลเขาจึงใช้ดาบสังเวยตัดเชือกออกแต่ปรากฏ ว, ว่าดาบนั้นกลับไปโดนที่ลําคอของเขาเองจนทําให้เขาถึงแก่ความตายตำนานผีสาวโออิวะยังมีเรื่องเล่าในอีกรูปแบบหนึ่งที่คล้ายคลึงกับตำนานแรกแต่จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันเล็กน้อยโดยมีเรื่องเล่า ว, ว่าโออิวะ เป็นหญิงสาวที่เกิดมามีรูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์อยู่แล้วแต่เธอเกิดในตระกูลเศรษฐีในเวลาต่อมาเธอได้แต่งงานกับอีเอมอนและต้องถูกอีเอมอนฆ่าตายวิญญาณร้ายของเธอจึงตามเอาชีวิตเขาในทุกรูปแบบจนในที่สุดอีเอมอนก็ได้เสียชีวิตลงจากการฆ่าตัวตายโดยไม่ตั้งใจเรื่องราวของผีสาวโออิวะยังถูกบอกเล่าในอีกหนึ่งตำนานว่าโออิวะได้แต่งงานกับอีอมอนแต่แล้วสามีของเธอก็นอกใจ แล้วต้องการจะแต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่ที่เขาเลือกเขาจึงได้วางแผนเพื่อฆ่าเธอขณะเดียวกันก็มีบางตำนานกล่าวไว้ว่าโออิวะเสียใจมากเพราะรับกับเหตุการณ์ที่สามีต้องไปแต่งงานใหม่ไม่ได้เธอจึงฆ่าตัวตายหลังจากตายแล้ววิ ญ, ญญาณของโออิวะเกิดความอาฆาตแค้นมากเธอจึงตามไปหลอกหลอนอีเอมอนในคืนวันแต่งงานของเขาที่มีแต่ความสุขและอยู่ระหว่างการส่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าหอ แต่ภาพที่เอเมิลเห็นนั้นกลับไม่ใช่เจ้าสาวของตนที่กําลังจะเข้าหอด้วยกันแต่มาเป็นผีโออิวะที่มีใบหน้าอันน่าเฟะดวงตาปูดโปนด้วยความตกใจเขาจึงหยิบดาบขึ้นมาแล้วฟันเข้าที่ผีโออิวะจนลม้มลงแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นตอนหน้าคือเจ้าสาวของเขาที่ถูกเขาฆ่าตายไม่ใช่ผีโออิวะเอเมิลทั้งเสียใจที่ฆ่าเจ้าสาวของตัวเองและหวาดกลัวโออิวะจะตามมาฆ่าเขาจึงขาดสติวิ่งหนีไป แต่ไม่ว่าเขาจะหนีไปที่ไหนใบหน้าของโออิวะที่เน่าเฟะดวงตาปูดโปนก็จะตามไปหลอกหลอนทุกหนทุกแห่งจนทำให้เขาไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้เขาจึงได้ฆ่าตัวตายในที่สุดจากตำนานของผีสาวโออิวะนี้เป็นเหตุให้มีการสร้างวัดโออิวะอินาริขึ้นมาเพราะผู้คนอยากให้วิญญาณของโออิวะสงบสุขและไม่อาค่าแค้นปัจจุบันวัดโออิวะอินาริอยู่ที่กรุงโตเกียวเขตชินจูกุประเทศญี่ปุน่น และภายในวัดยังมีสารของโออิวะชื่อสารเจ้าธมิยะโออิวะอินานิจินจกปรากฏอยู่ด้วยกล่าวกันว่าที่สารแห่งนี้ได้อัเชิญดวงวิญญาณของโออิวะมาอยู่อาศัยขอบคุณข้อมูลจากชีน n v a r i e t เว็บไซต์ mthai.com วิก i p ีเดียเว็บไซต์สยามโซน .com เว็บไซต์ s z 4 m c o m เว็บไซต์ cmsseat.com จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตำนานผีสุดสยองของเรา หากชิ้นชอบกดติดตามช่องเราไว้ก่อนนะครับถ้าช่วยแชร์จะขอบพระคุณมากๆทางทีมงานจะนำเสนอเรื่องเล่าตำนานผีจากทั่วทุกมุมโลก